กุ ม, มารก็คงจะเป็นอายุสี่ห้าปีในมักเป็นเป็นพระราชกุ ม, มารไปแลกนาขวัญกับพระบิดาคือคือพระเจ้าแผ่นดินยุคนั้นสมัยนั้นการทำนานี่เป็นเรื่องที่ใหญ่มากถ้าว่าพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้ใส่ใจในการทําไร่ทํานาประสบชาวบ้านเขาทั้งหลายเขาก็ขี้เกียจทํานาพอขี้เกียจทํานาแล้วประเทศชาติจะเป็นยังไงพอคนในชาติทุกคนก็ต้อง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 ก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าภาระธุรกิจมากแต่มาคราวนี้พระ อ, องค์ก็ย้อนไปอื้ใช่ที่เราได้ทำอย่างนั้นที่คโคลนต้นวาดจะมายเป็นกุมารอันนั้นกำมังจะเป็นหนทางอาจารย์พระ อ, องค์ก็นั่งใน้นั่งขัดสมาธิอย่างสมัยเป็นกุมารขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้า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 รวมสงบลงเป็นหนึ่งเหมือนสมัยเป็นพระราชกุมารที่โขนต้นว่านะรวมสงบลงเป็นหนึ่งแต่รวมข่าวนี้พอจิตพระไทยใจของพระองค์รวมลงไปแล้วเกิดญาณนัศนะเกิดฌานเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาในช่วงที่ท่านพระองค์ทรงประทับนั่งสมาธนะิและลึกชาติขนหลังได้นะอันนี้ก็คืออันนี้เป็นวิสัยของพุทธะนะ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 มีแปกแตกต่างกันกรรมเป็นผู้ให้ผลพอจวนสว่างท่านก็มองรู้อีกทำไมใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงมาวกวนเวียนเวียนไา้ตายเกิดในวัฏสงสารมาจากไหนใจดวงนี่พ่อแม่ือว่ามันมาจากไหนต้นตอของใจดวงนี้มาจากไหนจากนั้นพระองค์ก็ได้ย้อนย้อนดูพทัยใจของโป่ง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 ส ม, มาธิิส ม, มาสังกปวาจาระมันตัวไอจิวไวโมเสติส ม, มาธิอันนี้คือมรค8แต่สรุปแล้วในมรค8นั้นคือศินสมาธิปัญญาศินคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศิณสมาธิคือความตั้งใจมั่นปัญญาคือความรอบรู้คลี่คลายดูว่ากิเลสราคะมันมาจากไหนโทสะมันสาเหตุเพราะอะไรโมหะที่เราลุ่มหลงเพราะอะไร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 อันนี้คือพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้ในวันเดือนเหเพนจากนั้นพระองค์ก็ท้อพระไทเ่เมื่อได้สำเร็จพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็เสวยวิมุตติสุขอยู่ที่โคลนต้นโพเจ็7วันอยู่ที่ต้นนิโคดคือต้นไทรเจวัน อ, อยู่ที่ต้นเกตเจวันอยู่ที่สะพุดจรินเจวันพระองค์ได้เสวยวิมุตติสุขในแถบนั้นถึงสามก็ห